พระธรรมเทศนาแผ่นที่49าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หพฤศกิกายน2555ห้าห้ามีชื่อเรื่องว่าดื่มสุราพาให้ชั่วได้ทุกอย่าง วันนี้เป็นวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2555เมื่อวานเป็นวันทอดกะถินวัดของเรารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมล้นหลามมากแต่หลวงพ่อเองก็ได้ถามพระว่างานของเราขาดตกปกพ่อง อะไรบ้างพอหลวงพ่อเน้นหนักเรื่องของน้ําพอเราอยู่ในป่าก็รับทราบว่าน้ําไม่มีขานขาดตกบกพร่องแต่อาจจะขาดตกบกพร่องในจุดอื่นก็ได้พวัดของเรามันน้ํามันหลายหลายสายแต่เพียงน้ําเพียงพอ พอใช้เพียงแค่นี้นะหลวงพ่อก็สบายใจแนละเรื่องงานนะเพราะว่าเรื่องปัจจัยเรื่องน้ำนะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากสำหรับคนกลุ่มใหญ่คนหมู่มากเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าว่าขาดน้ำน้ำไม่พอใช้แล้วก็โอ้ดูสึกจุกนหกงานนั่นแอไปได้ขนาดไหนแต่น้ำไม่ไหลแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะ ความสกรปรกรกลุงลังเกิดขึ้นแน่ในชุมชนกลุ่นคนกลุ่มใหญ่แต่เมื่อวานทราบวางน้ำของเราไม่มีปัญหานับว่าสบายใจได้ในระดับหนึ่งเราไม่ต้องคิดปรับปรุงแก้ไขเรื่องน้าแต่ส่วนอื่นก็คนกลุ่มใหญ่เราจะให้ราพรื่นทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้จะให้ถูกใจทุกคนก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกัน แต่เราพยายามกดรักษา ก, กฎระเบียบภายในวัดของเราเอาไว้สิ่งไหนก็ตามอย่าให้มันสุดตรงจนเกินไปถ้ามาผู้ใดเข้าม า, าเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ต้องแนะนำบอกกล่าวในเมื่อคนกลุ่มนั้นหึืชุมชนกลุ่มนั้นเข้ามาเราก็ต้องบอกเพราะเราเป็นเจ้าของบ้าน แต่ทุกคนถ้ามีมารยาทในเมื่อเขาไปบ้านของเขาเราก็ต้องมีรู้จักบ้านของเขาเขามีกฎระเบียบอย่างไรถ้าคนที่มีมารยาทดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เว้นเสียแต่คนที่ไม่มีมารยาทเข้าไปเขาลุ่มล่ามจูนจ่านวุ่นวายไปหมดอันนั้นมันก็มีอยู่มั่นกัรน่ะมนุษย์โลก เหมือนเราไปประเทศอื่นเขาเราก็ต้องเคารพกฎกติกาของประเทศอื่นที่เขามีกติกาอย่างไรในเมื่อเขามาหาเราเราก็ต้องมีกฎกติกาเขาก็ต้องมีกฎกติกาเราก็ต้องมีกฎกติกาวัดของเราเนี่ยถ้าเราไปอยู่แล้วไปหรือเขาเราเขามาหรือเราไปหรือเราอยู่มันก็ล้วนแล้วจะเป็น ม, มีกฎกติกา ด้วยกันทั้งนั้นแหะกฎกติกาถ้าจะเปรียบเทียบก็คือกฎหมายถ้าจะเปรียบเรื่องของพระก็คือศีลศีลก็คือกฎหมายกฎหมายก็คือศีลคือกฎระเบียบการเป็นอยู่ร่วมด้วยกันการเป็นอยู่ร่วมกัน ต, ต้องมีกฎกติกาแต่เมื่อวานหลวงพ่อเห็นแล้วก็คนมากแต่ก็รู้สึกว่าอยู่ในความเรียบร้อย แล้วก็พันศาที่ผ่านมาปี 2,555 พระของเราก็42รูปพี่น้องศรัทธาญาติโยมก็มารักษาศีลสมาทานศีลผู้ที่มานอนพักวัดก็มีผู้ที่มาเข้ามาเฉพาะวันพระก็มากปีสองปีมานี้แต่ทุกอย่างที่หลวงพ่อมองด้วยสายตาของหลวงพ่อก็รู้สึกว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาในฐานะที่หลวงพ่อเป็นเจ้าของสถานที่และเป็นเจ้าของวัดหรือเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อก็ขอขอบคุณและข อ, อนมโมนาในเจตนาของพวกเราทั้งทั้งหลายที่เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจามาเพื่อการศึกษามาเพื่อปฏิบัติชาระกายวาจาใจของแต่ละคน ไม่ได้เข้ามาเพื่อทำเรื่องราวที่ให้มันยุ่งยากยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างคนก็ต่างเข้ามาเพื่อดูแลขัดเกลากายวาจาใจของพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็ขอขอบคุณและขออนุโมันาจากพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านเหมือนกันและก็พร้อมกันขอขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ถึงจะแยกย้ายไปณสถานที่ถิน่นใดกลับไปอยู่บ้านก็ขอให้นำทำคำสอนที่พวกเราได้ศึกษาได้มาปฏิบัตินำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้เป็นคนดีไม่ใช่ว่าเข้ามาศึกษาเข้ามาอยู่ในวัดวาสถานมารักษาศีลมาบวชแล้วก็มาอยู่ในวัด พอกลับไปถึงบ้านตัวเองก็เหมือนกับเข้ามาอยู่วัดก็เหมือนกับเอาศีลธรรมศาสตร์เข้าจิตเข้าสู่ใจพอกลับไปถึงบ้านก็สะบัดทิ้งเหมือนกับศาสตร์น้ำใสหลังหมาอย่างที่องค์หลวงตาเคยพูดพวกเราเคยศาสตร์น้ำใสหลังหมาพอศาสตร์เข้าไปแล้วพอเดินผ่านไปหน่อยน่มันก็สะบัดพลิดนี่เหมือนกันอย่าให้ได้เป็นอย่างนั้น เมื่อเราได้รับทำคำสอนเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องหลักเหตุผลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราพวกเราได้รับหลักเหตุผลแล้วนี่ละถูกต้องแล้วการคิดอย่างนี้ถูกต้องการกระทาอย่างนี้ถูกต้องการที่จะพูดสิ่งนี้เมื่อเราได้รับทำคำสอนการพูดอย่างนั้นมันผิดการพูดอย่างนี้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเราก็ได้นำทำ คำสอนที่เราได้ศึกษานาไปประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราพวกเราอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันแต่ถ้าพวกเราเดินออกนอกรูนอกทางออกนอกศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราอยาหวังที่จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งด้านจิตใจถึงพวกเราจะว่าสุขสุขก็เถอะแต่ถึงวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้า ถึงมรณภัยเข้ามาถึงพวกเรานึกย้อนหลังดูสิว่ า, เ, าเราได้ทําคุณงามความดีอะไรไว้บ้างนะถ้าเราไม่ได้มีคุณงามความดีไว้ในจิตใจพวกเราก็ว้าเวีอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าในจุดนั้นเพราะนั้นในจุดนั้นพวกเราต้องคิดวางแผนไปแต่เนิ่นๆวางแผนตั้งแต่บัดนี้แหละสั่งสมคุณงามความดียังหลวงพ่อไม่ว่ารุ่นไหนอ เข้ามาบวชกับวัดหลวงพ่อพอศึกออกไปหลวงพ่อเออถ้าหาว่าพวกเราท่านทั้งหลายนะให้สำนึกไว้ในใจหลวงพ่อเคยสอนเรื่องศีลห้าแต่หลวงพ่อเน้นหนักเรื่องข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะป h a พอดูแลไม่เกิดประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายออที่ลาศิกขาออกไปเนะี่ยต้องสารวมระวังนะเรื่องศีลข้อนี้ สินข้อที่หนะ้าเป็นสินที่ทําให้คนเป็นบ้าคนขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วมันทําความชั่วได้ทุกอย่างไม่รู้ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําคําพูดคำํำกล่าวอะไรก็รู้สึกรวมมันจะไม่รู้จักเพราะเหตุไรเพราะขาดสติเพราะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าดื่มน้ํานี้เข้าไปต้องขาดสติทําไมเราดื่มไปเพื่ออะไรเราอยากจะเป็นบ้าเหรอ เราจะจะเป็นคนชั่วเหรอเราจะจะขาดสติเหรออันนี้มันต้องถามตัวเองก่อนที่จะดื่มเพราะนั้นผู้ใดก็ตามที่เคยผ่านเคยเป็นทิศเป็นจานวัดป่านาคาน้อยไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อขอบินทัพานนั่นลูกหลานนะจะไปดื่มสุราจะไปกินเหล้ามันไม่เป็นผลดีหรอกเสียอนาคตตัวเองอีกต่างหากถ้าเผลอเผ อ, อดื่ม กินเหล้าเข้าไปแล้วนะทำความช่วยเสียหายติดคุกติดตารางหมดอนาคตอย่างน้อย ก, ก็เป็นที่ตำหนิของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานผู้ที่เกี่ยวข้องผู้อยู่ใกล้ชิดอันตรายอีกต่างหากใครๆก็กลัวคนที่ดื่มสุราขาดสติอย่างเหล่านี้เมื่อเราได้เข้ามาศึกษาได้มาบวชในพระพุทธศาสนาหรือ ว, ว่าได้มาฟังโอวาท ของหลวงพ่อหลวงพ่อแนะนำเรื่องศีลและธรรมหลวงพ่อมีต่บอกกล่าวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเราตถาคตเป็นผู้บอกทางเป็นผู้บอกแนะนำวนทางอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราก็นำทำคำส่องสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะ่ะที่ท่านได้ตรัสได้บอกไวนะ้น่ะเมื่อเราได้ศึกษาหลวงพ่อได้ศึกษาดูแล้ว ก็นำทำคำสอนที่ว่าเห็นว่าดีที่สุดในความรู้สึกของตนเองมาบอกกล่าวให้คณะสัตยาติโยมลูกกลานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเออเนี่ยหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดเนี้ยเหมาะสมถูกต้องนะอย่าทนะํเนาะถ้าทําไปแล้วมันจะเสียหายสําหรับตนเองชุมชนสังคม อันดับแรกก็เสียหายตนเองนั่นแหะก่อนเพื่อนฮะหลวงพ่อก็เคยพูดแล้วก็หลวงพ่อก็พูดนะพวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจพอเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนคือขาดสัจจะคือความจริงใจและจริงจังแล้วนะพวกเราจะหาความเชื่อถือกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องสัจจะเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญ และ ก, การโกหกต้มตูนหลอกลวงคนอื่นโกหกคนอื่นก็ไม่เป็นผลดีในหลักธรรมคาสอนที่หลวงพ่อเคยย้ำอยู่เสมอว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนํามาคิดและกัปรับปรุงตัวเองสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีสรุปแล้ว สรุปลงคิดดีทดําดีพูดดีเมื่อพวกเราคิดดีแล้วการกระทาออกไปก็ดีการพูดออกไปก็จะดีเพราะเรามีสติสัมปชัญญะในใจมีการมีการยับยัง้งในแนวความคิดของตัวเองก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูดอันไหนออกไปเราต้องคิดซะก่อนมีสติอยู่ในใจซะก่อนสติสัมปชัญญะซะก่อนถ้าพวกเราทําทำได้อย่างนี้ทุกครั้งนะ เรื่องหนักทั้งหลายก็จะไม่หนักจนเกินไปถึงจะหนักก็แก้ไขได้เพราะเหตุไรเพราะเราได้คิดไว้ก่อนแล้วไม่ไม่ใช่ว่าแบบเราสุดตรงฮะโกรธให้ใครก็โกรธสุดตรงโลภอะไรก็โลภสุดตรงฮะไม่ได้คิดว่าใครจะเดือดร้อนถ้าเราทั้งโลภทั้งโกรธเพราะมันหลงหลงคิดว่าตัวเองจะอยู่ั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นฮะ ถ้าเราเราทึกถึงความตายบอกอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องอาตายล้เราจะไปเอาอะไรมากมายนักหนาท่านโลภมาโลภมาให้ใครโลบมาให้ลูกให้หลานถ้าลูกหลานเขาโง่เง่าเต่าตุนเขาไม่รู้จักห า, เ, าเงินมาใช้เราจะเกิดประโยชน์อะไรถึงจะโลบไปก็ไม่เกิดประโยชน์เอามาให้คนเลวคนชั่วช้าคนไม่ดีลูกหลานของเราไม่ดี มันก็ทําให้เสียหายทําให้ตัวเองเนี่ยโง่อีกโง่ความโลภของเองไปสู่อบายวภูมิตกนรกเป็นที่ติชินเนินทาของคนทั้งหลายอีกแล้ะพอโง่เสร็จแล้วเราโลภมันมาอีกไปให้ลูกลูกก็โง่อีกโง่ชั้นสองโง่ชั้นสามเพราะมันโง่แต่ทีแรกไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้จักพอประมาณพอประมาณเราหาได้โดยการสุจริต ด้วยความซื่อสัตย์สุดจิติตของเราจากนั้นลูกหลานของเราใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้ามันไม่ใช่ไม่เกิดประโยชน์ก็อย่างที่หลวงพ่อเคยยกเป็นชาดกขึ้นมาพ่อเป็นเศรษฐีจากนั้นก็มอบสมบัติให้กับลูกพอลูกเป็นคนเกเรไม่ได้รับเอาใจใส่ใ กิจการงานของพ่อที่พ่อเป็นเศรษฐีผลนิจุดก็ใช้สมบัติของพ่อแบบอิลุยชุยแจกสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮาคนทั้งหลายก็ชอบเลยสิพ่อเศรษฐีใจใหญ่เศรษฐีหนุ่มใจใหญ่มีอะไรก็เทเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยาสนุกสานานวงดนตรีคอนเสิร์ตอันไหนที่เป็นสนุกสนานจ้างมาหมดพ่อเศรษฐีคนทั้งหลายก็ชอบเลย พอกินไปกินมาไม่ไม่ทำมาค้าขายมันจะอยู่ได้เหรอทรัพย์สมบัติมันก็ล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆผ ล, ล, ล, ลที่สุด ข, ขายบ้านขายเรือนขายที่ขายทางขายไปหมดผลที่สุดก็จนได้ง่ายๆเหมือนกันผลที่สุดกลายเป็นคนขอทานไปได้แต่ผู้พ่อเนี่ยสมัยเป็นเศรษฐีเนี่ยตั้งอกตั้งใจทําบุญทําทานตั้งโรงทานไว้ตั้งหกแห่ง อยู่ในกลางพระนครสองแห่งและก็สี่ประตูมุมเมืองอีกประตูละแห่งสำหรับคนเดินทางมาจะได้อยู่ได้กินอาหารของตัวเองเลี้ยงคนงเมื่อคนที่ไม่มีอันจะกินตกทุกข์ไยากหรือว่าไม่มีเงินเศรษฐีเลี้ยงมีโรงทานหกแห่งเป็นผู้มีน้ำใจตลอดผู้พอ่อแต่พอมาตกถึงลูกเนี่ย นี่แหละโลกเนี่ย่ำแย่เลยเพราะคนไม่ดีนี่แหละหลวงพ่อว่าถ้าว่าเราเจตทิศแนะนําไปในทางที่ดีให้กับลกูกแต่ลูกไม่ดีเราจะทำยังไง ม, มันก็สุดวิสัยถ้าจะหาให้มากๆแลเราก็เท่านั้นแหละโง่อีกรอบหนึ่งเพราะความโลภอยากจะได้คนอื่นของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ถูกถูกไม่ถูกนะจากนั้นลูกของเราอีก เป็นคนไม่ดีอีกเราไปยังไงแต่นี่เศรษฐีท่านนะั้นเคยน้ำพอดีนะท่านเป็นผู้หาเงินคำทรัพย์สมบัติด้วยความสุดจริตเป็นธรรมท่านทำบุญเสร็จแล้วนะบุญกุศลของท่านก็กวนหนุนท่านขึ้นไปอยู่ชั้นสวรรค์เป็นพระอินทร์อีกต่างหากเป็นใหญ่ในสวงสวรรค์เป็นพระอินทร์พอเป็นพระอินทร์แต่่านราก็มองดูมองดู โลกเป็นไงลูกชายของเราเนี่ยเป็นคนดีสืบทอดแบบเราพารมหรือเปล่าหน้าเนี่ยพอมองลงมาที่ไหนได้ไปคนละทิศาทางกินเหล้าเมายาสนุกสานานมดรับสมบัติพระอินก็มองแล้วมองอีกเอาจะไงวะลูกของเราแท้ๆทำไมเป็น เลือดเนื้อเชื้อไขของเราแท้ๆเนี่ยทำไมทําตนอย่างนี้ออปนที่จูดก็พระอินทร์ก็ลงมาเน่ยลงมาก็บอกแนะนําสั่งสอนลูกเอ้ยลูกจะทําอย่างนี้สิเอาเถอะมันผิดพลาดไปแล้วเอหลียวพ่อจะให้หม่อม่อสารพัดนึกพระอินทร์ยังเป็นห่วงอยู่ด้ยังเป็นห่วงลูกให้หม่อสารพัดนึก ถ้าลูกนึกอยากจะได้เงินก็ล้วงมือเข้าไปในหม้อนี้แล้วก็ไปจับใจใช้สอยนะลูกนะอยากจะได้เท่าไรกันเนี่ยล้วงเอามือลงไปเลยในหม้อนี้แต่จะให้รักษาให้ดีนะลูกนะว่าอินกระแสดีอีกเหมือนกันเพราะให้หม้อสารพัดนึกให้กับลูกแต่ลูกชายใหม่ๆก็ดีเพราะมันเคยจนมาแล้วพอต่อมาน น, นิสัยเดิ ม, มก็เข้ามาอีก นิสัยเกเรนิสัยชั่วนะมันเข้ามาอีกหมูทั้งหลายก็ลุมอีกเพราะเศรษฐีมีเงินขึ้นมาแล้วเนะี่ยไม่อดไม่อยากล้วงเอาเท่าไหรก็ได้พรนี้สุกก็เลี้ยงหมูเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงหมูเลี้ยงเพื่อนเสียแล้วก็กินเหล้าเมาแล้วก็คิดสนุกนะนก็โยนหม้ อ, อขึ้นอากาศโยนรับโยนแล้วก็รับสนุกนะคนมันไม่ได้คิดอ่านอะไรนะคนเหล้าะคนกินเหล้าขาดเศรษฐมันอันไหนสูงอันไหนต่ําอันไหนควรไม่ควรมันไม่รู้ทั้งนั้นะ พอคนกินเหล้ามันขาดสติเนะี่ยโยนไปโยนมากะหม้อผลัดหลุดมือเลยตกโปะลงไปสู่แผ่นดินหนะม้อแตกเนะี่ยพอหม้อแตกไม่รู้จะล้วงหาเงินได้ที่ไหนนะเนี่ยพระอินอยู่บนฟ้าก็มองเห็นแล้วโอ้ปรงตกช่วยคนช่วเนะี่ยช่วยยังไงก็ช่วยไม่ขึ้นเพราะมันเรนะ็วนี่แหละสิ่งเหล่านี้ เราทั้งหลายอยู่ในวงประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ในวงญาติอยู่ในกลุ่มของญาติอยู่ในกลุ่มพ่อแม่ลูกหลานญาติโกโหติกามันต้องมีลักษณะอย่างนั้นแต่ทํำยังไงบางเรื่องบ้างสิ่งบ้างอย่างนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านยึงบอกว่าเมตตากรุณามมทิตาน่าจะเพียงพอนี่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงว้มีให้มีอุเบก ข, ขาด้วยเนี่ยฮะ ถ้าว่าไม่มีทำคําว่าอุเปกขาเนี่ยหลวงพ่อว่าคนเรานะ่ยคงจะเส้นเลือดแตกในสมองวันละหลายร้อยคนอยู่หลวงพ่อว่านะพ่อไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางฮะ อ, อคงจะคิดคิดเปแล้วก็เลือดเส้นเลือดแตกเอพราะไม่ได้อย่างใจใช่ไหมเมตตาแล้วก็แล้วมุทิตาแล้วกันแล้วเออเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็แล้วนะ ยังไม่ได้อย่างใจกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจเลยเธอเนีพอกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจเธเนี่ยคือคิดหนักคือเส้นเลือดแตกเธเนี่ยนี่แหละหลวงพ่อว่านะถ้ามีทำอุปเบกขาในใจจะอย่างที่พระพุทธเจ้าวางไว้อุปเบกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัตินี่แหละทำคำําสอนของพระพุทธเจ้านะเอามี เบื้องต้นท่ามกลางและก็นในที่สุดพระพุทธเจ้าสอนให้กับพวกเราใช้ปัญญาทั้งนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไปอยูน่นสถานที่ใดไป น, นสถานที่ใดใช้ทมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักยึดรู้จักการดาเนินรู้จักการยึดเป็นแนวทางปฏิบัติอันไหน ควรจะยึดหนึ่งสองสามอันไหนควรจะปล่อยวางถ้าพวกเราได้ใช้ทำคำสอนของปปุติเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพวกเราจะประสบความสำเร็จและมีความร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราทันทั้งหลายลตอนนี้ไปพระสงฆ์จะานนโมทนาให้พรรับพร